คิวส์บอลเนี่ยคนที่สร้างแบบจำลองอะตอมที่เราคุค้นเคยเนี่ยถึงขั้นกล่าวไว้นะฮะว่าใครที่ไม่ช็อกสุดขีดกับทฤษฎีควอนตัมแปลว่ายังไม่เข้าใจอถ้าเข้าใจเนี่ยช็อกแน่ๆอดังนั้นนับตั้งแต่วินาทีเนี้ยที่เราจะเข้าสู่โลกควอนตัมที่แท้จริงเนี่ยท่านผู้ฟังทูชมทั้งหลายเนี่ยและน้องฟางจะต้องอช็อกนะไม่งั้นแปลว่าไม่เข้าใจที่บอกว่า okay. ออออต้องช็อกนะครับดูจบปุ๊บต้องช็อกแบบ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 เราก็จะรู้จักมาว่าเฮ้ยทุกอย่างมันวัดได้แม่นยำแต่ว่าฟังไปเปิดอ่านหนังสือที่ป่องแงนะคะเราไปเจอประโยคเนาะที่แบบพูดว่าออโอกาสเป็นหนึ่งในตัวแปรพื้นฐานที่สุดของโลกคอนตัมพอเจอประโยคนี้ก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันมีด้วยหรอแบบอะไรที่มันไม่แน่นอนหรือว่าโอกาสมันมาเป็นตัวแปรได้ยังไงนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องของทฤษฎีควอนตัมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ไอนสไตน์เองเนี่ยก็เคยคิดที่จะล้มล้างแต่ว่าเขาก็คิดผิดไปนะคะดังนั้นวันนี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กับฟางรัตตาร์จิตพนาค่ะและผมปองแปงอาดว่าโรงจันทมาศครับฟังอยากรู้เลยพี่ปองแปงอย่างที่บอกว่าพอไปเจอประโยคเมื่อกี้ฟังเอ๊ว่าเฮ้ยแต่ว่าฟิสิกส์แบบคลาสสิก กับฟิสิกส์แบบคอนตามฟิสิกส์เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่มันยังไงคะคือฟิสิกส์แบบคลาสสิกเนี่ยมันมันเริ่มมานานมากแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคก่อนนิวตันซะอีกแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก่อร่างสร้างขึ้นมาในการอธิบายธรรมชาติได้อย่างสำเร็จมากมายจริงๆต้องบอกฟิสิกส์คลาสสิกเนี่ยมันมีมันมีหลายหลายแนวทางหลายสายด้วยกันในการอธิบายธรรมชาตินะฮะ โดยอาจจะเริ่มจากกลาศาสตร์คลาสสิกที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เนาะเทอร์โมเดนามิกส์เคยได้ยินไหมอันนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะเทอร์โมเดนามิกส์เนี่ยเป็นฟิสิกคลาสสิกที่ใช้อธิบายธรรมชาติของความร้อนอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับความร้อนเนี่ยเราใช้เราใช้เรื่องนี้อธิบายได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็อิเล็กโทรแมกเนติกนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของคุณเจมส์เคลิร์กแม็กซ์เวลล์ค่ะอันนี้ก็ใช้อธิบายธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยได้อย่างดีมากๆนะฮะ เอาเป็นว่าฟิสิกส์แบบคลาสสิกเนี่ยมันแข็งแกร่งมาโดยตลอดแล้วก็ใช้ในการอธิบายธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมครอบคลุมมากๆแต่ทีนี้ฟิสิกส์แบบคลาสสิกเนี่ยมันวางอยู่บนรากฐานของความแน่นอนอย่างที่น้องฟางถามก็คือปรัชญาที่เรียกว่าดีเทอร์มินิซึมอัน น, น, นี้หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าดีเทอร์มินิซึมเนี่ยเชื่อว่าถ้าเรามองไปที่อนุภาคต่างต่างในเอกภพนะครับแล้วก็วัดตำแหน่งกับความเร็วมันให้ได้ทั้งหมดนะคะ เสร็จปุ๊บกฎฟิสิกส์จะบอกได้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะอนุภาคเหล่านี้สุดท้ายมันต้องทําตามกฎฟิสิกส์ที่ชัดเจนแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นหลักพื้นฐานที่เป็นเหมือนปรัชญาที่ซุกซ่อนอยู่ในฟิสิกส์คลาสสิกแต่ทีนี้การถือกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมเนี่ยทำให้หลักดีเทอร์มินิซึมที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย ทางทลาไหน์ทอมแปลว่ามันมีช่องโหว่อะไรหรือว่ามันมีอะไรที่มันอธิบายไม่ได้แบบ น, นั้นาคืออย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่กําเนิดมันนะครับทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี 1,900 ถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ร้อยร้กว่าปีแล้วนะในช่วงนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์เองก็เป็นนักฟิสิกส์คลาสสิกทั้งสิน้นนะครับความรู้ต่างๆเนี่ยนักฟิสิกส์ก็รู้สึกยอดเยี่ยมเรามีฟิสิกส์คลาสสิกที่อธิบายสิ่งต่างๆได้ดีแล้วโห เป๊ะปังมากเราสามารถเลยทำทุกอย่างได้บางคนเนี่ยถึงขั้นกล่าวว่าฟิสิกส์แทบจะไม่เหลืออะไรให้ค้นพบแล้วเอาเป็นว่าสิ่งต่างๆก็วัดให้มันแม่นขึ้นก็พออะไรเงี้ยแต่มันเหมือนตลกร้ายตรงที่ปีพั0เเนี่ยนอกจากจะมีกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมแล้วมันยังมีพวกสัมพัทธภาพด้วยซึ่งทั้งสองเนี่ยโหเปลี่ยนเปลี่ยนโลกฟิสิกส์ไปมากเลยนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือควอนตัมนี่แหละแล้วควอนตัมเนี่ยมันต่างจากสัมพัทธภาพตรงที่ว่า ทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือทฤษฎีฟิสิกส์อื่นๆนะครับน้องฟังมักจะเกิดจากมันสมองนักฟิสิกส์ที่บางทีก็จะเห็นได้ว่าชัดเจนว่าใครคิดสัมพัทธภาพในี่ใครคิดไ <I style. S 2> อซายกดแรงโน้มถ่วงนิวต uh, <Newton. S 2> ันถูกต้อง oh. แต่ควอนตัมเนี่ย <laughs> มันมันไม่มีคนที่พูดได้ว่าเป็นผู้ให้กาเนิดมันอย่างชัดเจน hmm. เพราะมันเหมือนกับ ต่างคนต่างเจอชิ้นส่วนะเล็กละน้อยช่วยกันเติมเสริมช่วยกันเติม<ะ>เสริมใช่แล้วแบบว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ขัดสำมำสํานึกมนุษย์มากด้วยนะครับทีนี้พอมันขัดสำมำสํานึกมนุษย์และมันขัดสำมำสํานึกนะักฟิสิก ส, ส์คลาสสิกไอน์สไตน์ก็เลยไม่สบายใจเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมและใช้เวลาแทบทั้งชีวิตเนี่ยพยายามไม่ได้พยายามล้มล้างหรอกนะแต่จริงๆก็พยายามหาช่องโหว่ ในในตัวรากฐานของมันพยายามมองว่ามันไม่สมบูรณ์ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ที่ไอสไตห์หาเนี่ยกลับเป็นการเติมเต็มให้ทฤษฎีควอนตัมมันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับแม้แต่ไอสไตห์ก็ยังไม่สามารถเหมือนกับหาช่องโหว่ของมันได้ถูกต้องเพราะว่าสุดท้ายแล้วหาช่องโหว่มันมันไม่เจอแล้วการทดลองมันสนับสนุนว่าไอสไตห์ผิดจริงๆริงนะแต่ว่าถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนักฟิสิกส์ไปละแค่ละคายจากเรื่องอะไร เชื่อไหมมันเป็นเรื่องที่เบสิคมากมากเบสิคแบบมนุษย์เราน่าจะเห็นปรากฏการณ์ง่ายๆเนี้ยมาตั้งแต่ประมาณโหยุค ก, ก่อร่างสร้าง อ, รอารยธรรมอ่ะอืมคืออะไรคะพี่คือเหล็กร้อนฮรวัตถุร้อนอเอาง่ายๆคือเวลาวัตถุมันร้อนนะครับน้องฟังถ้าเหล็กเนี่ยเอาไปตีน ะ, ะทําให้มันร้อนมันก็จะกลายเป็นสีแดงอพอมันร้อนขึ้นไปอีกมันจะเป็นสีสม้มร้อนขึ้นไปอีกมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเป็น เป็นเหลืองแล้วก็เป็นขาวเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับนักฟิสิกส์ในยุค ป, ปี 1,900 เนี่ยพยายามหาคําอธิบายว่าอุณหภูมิขนาดเนี้ยเหล็กจะเปล่งสีอะไรออกมาเอางี้แล้วกันอ๋อคืออุณหภูมิเนี่ยทำให้มันเปลี่ยนเป็นสีอะไรไปเรื่อยเรยใช่นะคือจะต้องพยายามหากฎบางอย่างเกี่ยวกับการแผ่รังสีของเหล็กร้อนๆเนี่ยให้ได้ะนะครับถ้าเป็นในทางฟิสิกส์เขาเรียกว่ากฎการแผ่รังสีของวัตถุดําแต่ผมเปรียบเทียบกับเหล็กก็แล้วกันทีนี้ กฎที่สร้างมาโดยเทอร์โม y ดน m มิกส์กับพวกทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าในยุคในยุคนั้นนะล้มเหลวล้มเหลวแบบอธิบายเรื่องเหล็กร้อนๆเนี่ยไม่ได้เลย ม, มันได้แค่บางส่วน ม, มันได้แค่บางช่วงแต่เราต้องการทฤษฎีที่อธิบายได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มันไม่มีแล้วก็มันมีนักฟิสิกส์อยู่คนหนึ่งชื่อคุณแม็กซ์พลังนะครับแม็กซ์พลังเนี่ยสร้างสมมติฐานประหลาดว่ามสมมติเราซูมเข้าไปในเหล็ก ในเหล็กน่าจะมีองค์ประกอบย่อยๆเขาเรียกว่าตัวสั่นรหรือออสซิเลเตอร์ไอตัวนี้มันอาจจะสั่นด้วยพลังงานไม่ต่อเนื่องคือแทนที่พลังงานมันจะมีได้ทุกค่ามันมันมีได้แค่บางค่าสมมุติฐานนียแปลกประหลาดมากแต่พอเอามาสร้างเป็นสมนการหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันอธิบายการแผ่รังสีของเหล็กร้อนหรือวัตถุ ด, ดำได้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบครอบคลุมทุกช่วงความยาวคลื่นคุณแม็กซ์นี่เป็นคนที่มา จุดประเด็นก่อนเลยว่าหรือองค์ประกอบย่อยๆในเหล็กเนี่ยมันจะมันจะสั่นด้วยพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องคือสั่นได้แค่บางค่ามันแปลกประหลาดตรงที่ว่าในชีวิตเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเราก็เห็นแทบทุกสิ่งทุกอย่างมีความต่อเนื่องราบเรียบไปหมดเนาะพลังงานเราจะกําหนดให้มีค่าเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เนี้ยพอใส่ว่ามันมีค่าไม่ต่อเนื่องมันอธิบายการแผ่รังสีได้พอดีอืมคือ จริงๆแล้วถ้าในความเข้าใจเดิมอาจจะรู้สึกว่ามันต้องบอกได้สิว่าพลังงานมันเป็นเท่าไหร่ยังไงใช่ต้องได้ทุกค่าอ่ามันควรจะสั่นได้ทุกค่ามีพลังงานได้ทุกค่าแต่เนี้ยมันพอใส่ไปว่าได้แค่บางค่ามันกลับอธิบายได้พอดีด้วยอ๋อซึ่งสมมุติฐานที่ดูไม่น่าจริงแต่เอาไปอธิบายความจริงได้เนี่ยแม้แต่คุณแม็กซ์แ plang ก็ไม่สบายใจมากนะแต่ว่ามันก็เวิร์กอะทำไงดีล่ะนะครับสมมุติฐานของคุณแม็กซ์แ plang เนี่ยเขาเรียกว่า ควอนตัมไฮโปทีซิสนะคือความไม่ต่อเนื่องควอนตัมหนีไปแล้วว่าความไม่ต่อเนื่อ ง, อ, อ, งอ๋อก็เหมือนกับว่าการที่เขาไปค้นพบเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนประติดประตอร่อเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์มาด้วยเหมือน<ช>เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดชนวนแรกๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาเบอร์นไอน์สไตน์ก็ อ, อธิบายปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตโอิเอล็กทริกะะที่เขาได้รางวัลรางวัลโนเบลถูกต้องอ อ, อันนี้จําได้ตอนอะไตอนไหนนะไอน์สไตน์ป่ะใช่ใช่ใช่เราเคยคุยกันเรื่องนี้ค่ะ วันนี้จะแตะๆก็แล้วกันก็คือว่าเดิมทีเนี่ยทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลนะครับมันก็อธิบายธรรมชาติได้กว้างขวางมากมแต่พอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสองหรืออะไรเนี่ยไปศาส์ใส่เหล็กปรากฏว่าพอปรับความถี่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนจากเหล็กมันหลุดกระเด็นออกมาได้ซึ่งโดยทฤษฎีเก่าเนี่ยเราควรจะปรับความเข้มไม่ใช่ความถี่นะไอน์สไตน์อธิบายว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเห็นเป็นคลื่นต่อเนื่องเนี่ยในบางครั้งเราอาจจะต้องอธิบายมันในมุมที่ว่า ตัวมันเนี่ยพาพลังงานมาเป็นก้อนๆที่ไม่ต่อเนื่องแล้วไอ้ก้อนๆของพลังงานเนี่ยทุกคนนี้เราเรียกว่าก้อนโฟตอนคือแสงเนี่ยมันเหมือนกับลูกปืนใหญ่ที่าพาพลังงานมาเป็นก้อนๆแล้วก็กระแทกกับเหล็กนะฮะแล้ว e อิเล็กตรอนก็หลุดออกมาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นมุมมองที่ใช้อธิบายโฟโตอิเล็กทริกได้สมบูรณ์แบบมากถูกไหมคะที่บอกว่าเป็นทั้งคลื่นและเป็นทั้งอนุภาคใช่นี่ปะ่ะอันนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังสมมุติฐานตรงนี้ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่เอาเป็นว่าไอน์สไตน์ พยายามสร้างแบบจําลองว่าคลื่นที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันมันมีลักษณะถ่ายทอดพลังงานเหมือนเป็นก้อนเม็ดเม็เรียกว่าโฟตอนเลยนะแล้วเรื่องที่สามที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัมก็คือแบบจําลองอะตอมค่ะอืมอันนี้เป็นยังไงคะเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าอะตอมเนี่ยรู้ไหมว่าคืออะไร <laughs> ไม่ใช่นักร้อง <laughs> เออไม่รู้ <laughs> แต่รู้แค่ว่ามันคืออะไรบางอย่างที่เล็กมากๆและในความเป็นจริงมันคืออะไรนะคะอะตอมเนี่ยเดิมทีมันเป็น ความเชื่อที่ชาวกรีกโบราณชื่อคุณเดียมโมเครตุสนะครับเขามีความเชื่อเชิงปรัชญาว่าสราสิ่งประกอบจากหน่วยย่อยที่สุดที่เล็กที่สุดว่าเรียกว่าอะตอมก็แล้วันะทุกวันนี้เรารู้ว่าอะตอมมีองค์ประกอบแต่แนวคิดเรื่องอะตอมของเราก็ยังใช้ได้ในระดับหนึ่งก็คือเรามองว่าสสารเนี่ยย่อยลงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเล็กที่สุดที่คงความเป็นาธาตุนั้นไวเรียกว่าอะตอม ซึ่งมีอยู่ในสาสารทุกอย่างบนโลกอย่างทองเนี่ยเล็กลงไปหน่วยย่อยที่สุดของทองก็เป็นอะตอมของทองนะครับเพราะทองมันเป็นธาตุอย่างนึ่งน้ำเนี่ยเล็กลงไปเราจะพบว่าประกอบไปด้วยอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอม H2O ะ H2O ก็คืออะตอมไฮโดรเจน2ตัวกอบกับอะตอมออกซิเจน1ตัวอย่างงี้ก็เป็นโมเลกุลน้ําขึ้นมาอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยย่อยของธาตุที่ที่คงความเป็นธาตุที่เล็กมากของสาสารนั้นนะฮะทีนี้การจะบอกว่าอะตอมเนี่ย มันมีธรรมชาติเป็นยังไงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากดังนั้นเวลาเรียนวิชาฟิสิกส์หรือเคมีก็ตามหลายๆบทเรียนก็จะเริ่มจากการอธิบายเรื่องแบบจําลองอะตอมก่อนเคดต้องวาดรปอะต้องวาดรูปวงกลมแล้วก็หลายๆชาแนนั่นแหละนั่นแหละหุยน้องฟางเคยเรียนเคยเรียนมันเป็นยังไงตอนนั้นโอ้จำไม่ได้แต่ว่าจาได้ว่าเราต้องมาวาดรูปว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเป็นวงกลมตรงกลางเป็นก้อนชื่อนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนเป็นชั้นๆใช่ป่ะอันเนี้ย คือแบบจําลองอะตอมแบบเซมิคลาสสิคอลที่เราเรียนเรียนกันอยู่หรือว่าที่ฟางเคยเรียนแล้วกันมันคือในยุคนี้ตัวนี้แหละอแต่ยังไม่ใช่ควอนตัมที่ที่ถูกต้องเป๊ะนะแต่ก็ใช้ได้ในในหลายๆกรณีค่ะคือถ้าเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยเล็กตอนอยู่ตรงไหนก็กได้จะใกล้แค่ไหนก็ได้จะไกลแค่ไหนก็ได้อยากจะอยู่ตรงห่างออกไปสัก1หน่หนวยก็ได้ 1.1 1.2 มันก็ได้ทั้งหมดอืแต่ว่านักฟิสิกส์ชื่อนิวส์บอลเนี่ยสร้างแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนขึ้นมา โดยที่อิเล็กตรอนเนี่ยมีพลังงานได้บางค่าเท่านั้นไม่ต่อเนื่องอความไม่ต่อเนื่องมาอีกแล้วมาอีกแล้วอและมันสามารถอธิบายสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้อย่างสมบูรณ์สเปกตรัมก็คือเราเอาไฮโดรเจนหรือาธาตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไปทําให้มันร้อนแล้วก็ดูว่ามันปล่อยพลังงานในช่วงแบบไหนออกมาอ ม, มันอธิบายได้พอดีเลยอ่ะแปล ว, ว่าความไม่ต่อเนื่องของมันเนี่ยมาอธิบายบางอย่างได้ใช่มันอธิบายสิ่งต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์ได้ดีมากๆเลยอนะ จะเห็นได้ว่าเริ่มจากเหล็กร้อนๆที่ตัวสันเนี่ยปล่อยพลังงานไม่ต่อเนื่องแสงที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดูต่อเนื่องนวลแต่ว่าตัวพลังงานกลับมีลักษณะเป็นก้อนมากระแทกเหล็กเนี่ยมันเป็นก้อนโฟตอนไม่ต่อเนื่องเหมือนลูกปืนใหญ่แล้วก็อะตอมแทนที่จะมีระดับพลังงานที่ต่อเนื่องค่าไหนก็ได้นะครับมันกลับมีพลังงานได้แค่บางค่าเท่านั้นคเอออันนี้ประหลาดทั้งสสิ่งนี้เนี่ยมันมาอธิบายควอนตัมฟิสิกส์ว่าคืออะไร ตอนนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์ค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าทั้งสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยออื ม, มันมีแค่คอนเซปต์ของความไม่ต่อเนื่องอยู่ในนั้นแต่มันอธิบายสิ่งที่ต่างกันสิ่งต่างๆที่ที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆได้ยังไม่มีกรอของทฤษฎีเดียวมาจับทุกอย่างไว้ในก้อนเดียวกันยังไม่มีต่างคนก็ต่างแยกกันอธิบายด้วยสมมุติฐานเชิงควอนตัมที่ตอนนั้นมันยังไม่ชัดเจนนักนะฮะแต่มันมีความไม่ต่อเนื่องแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆแต่ทีนี้ จุดปเปลี่ยนสำคัญเนี่ยที่ผมว่ามันสำคัญมากเพราะว่าอันนี้จะเรียกว่าเป็นเหมือนต้นกำเนิดยักษ์ด้านหนึ่งของของทฤษฎีควอนตัมก็ว่าได้ก็คือคุณหลุยส์เดอร์บรอยหลุยส์เดอรบรอยเนี่ยไม่ใช่นักบอลคุณเดอบรอยคนนี้เป็นนักฟิสิกส์นะครับเป็นเจ้าชายเป็นเอ่อคนฝรั่งเศสเขาเสนอสมมุติฐานซึ่งค่อนข้างจะห้าวมาก คือปกติเวลาจะสร้างทฤษฎีอะไรก็ตามโดยทั่วไปเรามักจะมีทฤษฎีเก่าแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาอะไรเงี้ย อ, อันนี้ห้าวแบบไม่เคยมีก็สร้างตงัวเอ ง, <ร>ง ข, ขึ้นมาใหม่ซึ่งมสมมุติฐานของคุณเดอร์บอยเนี่ยปเปรียยมากก็คือมองว่าเออในเมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติเชิงอนุภาคได้อแล้วอนุภาคอ่ะมันมีคุณสมบัติเป็นคลื่นได้ไหมเหมือมมนถามย้อนกลับใช่มัน มันมีคุณสมบัติล้อกันแบบนี้หรือเปล่า ม, มันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนที่เขาถามคำถามนั้ น, นะคะ <c oughs> คนอื่นไม่แบบเอออะไรอะไรอย่างี้หรอจริงๆมันเป็นวิทยานิพนธ์ของเขานะ<อ>ซึ่งการถามแบบนี้เนี่ยก็เสี่ยงต่อการที่เขาจะเรียนไม่จบนะแต่ก็จบได้นะครับแล้วก็ได้รางวัลโนเบลด้วยนะ แต่ว่ า, วาสิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยมันมีเค้าลางหรือมันถูกต้องไหมคะคือหลังจากนั้นมาก็มีการทดสอบธรรมชาติของอิเล็กตรอนนะครับแล้วพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยแสดงคุณสมบัติของคลื่นได้จริงๆดังนั้นมันก็เลยคอนเฟิร์มสมมุติฐานของเดอร์บรอยว่าจริงโดยสูตรการหาความยาวคลื่นอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้มันเป็นไปตามที่เดอร์บรอยสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์เลยะนะแล้วก็ได้รางวัลนโนเบลเนาะทีนี้ มันมีนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งเอาสมมติฐานของเดอร์อยหรือแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมาสร้างทฤษฎีควอนตัมขึ้นมามแต่ตอนเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะเกิดทฤษฎีควอนตัมแบบใหม่เนี่ยนะต้องบอกว่าคุณคุณนิวสบอลเนี่ยคนที่สร้างแบบจําลองอะตอมที่เราคุ้นเคยเนี่ยถึงขั้นกล่าวไว้นะฮะว่าใครที่ไม่ช็อกสุดขีดกับทฤษฎีควอนตัมแปลว่ายังไม่เข้าใจอถ้าเข้าใจเนี่ยช็อกแน่ๆดังนั้น นับตั้งแต่วินาทีเนี้ยที่เราจะเข้าสู่โลกคอนตามที่แท้จริงเนี่ยท่านผู้ฟังทูชมทั้งหลายเนี่ยและน้องฟางจะต้องช็อกนะไม่งั้นแปลว่าไม่เข้จอธิบายมากต้องช็อกนะครับดูจบปุ๊บต้องช็อกแบบอ่ะมันลุ้นกันค่ะผมจะปูอย่างนี้ก่อนปูอีกนิดเดียวว่าโลกคลาสสิกเนี่ยเรามีกฤษฎาคลาสสิคเอากคลาสสิกแล้วกันค่ะ เราใช้กลศาสตร์คลาสสิกเนี่ยอธิบายธรรมชาติของดาวเคราะห์ก็ได้มันโคโจรอย่างไรลูกปืนถูกแรงเท่านี้จะตกตรงโน้นอย่างไร ม, มันคาดการได้แม่นยําใช่แล้วพอเป็นเม็ดทรายก็อธิบายได้ลึกๆนักฟิสิกส์ในยุค ป, ปีผ่เการนี่ค่อนข้างจะเชื่อว่าสิ่งที่เล็กลงไปมากๆเนี่ยอย่างอิเล็กตรอนเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เป็นอะตอมหรืออะไรเนี่ย ม, มันก็ควรจะใช้กฎของฟิสิกส์แบบคลาสสิกอธิบายมันได้ไดใช่มันก็แค่เล็กเฉยๆยงไงมันไม่ควรจะต้องเปลี่ยนกฎเปลี่ยนเกณฑ์อะไร แต่หลังจากเราค้นพบเรื่องความไม่ต่อเนื่องต่างๆคุณหลุยส์เดอบบอยเนี่ยมาสร้างสมุติฐานนี้แล้วเนี่ยและมีชายคนหนึ่งเนี่ยสร้างสมการที่เป็นเหมือนแก่นหรือหัวใจของทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาเนี่ยปรัชญาของสิ่งเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงที่เราเห็นแต่มันกลับประกอบกลายเป็นความจริงที่เราเห็นได้อ หมายความว่ากฎทางฟิสิกส์หรือว่าอะไรที่เราเคยเคยฟังกันในโลกคลาสสิกหรือชีวิตประจำวันอยู่ในโลกควอนตัมเนี่ยไม่ใช่เลยมันเปลี่ยนไปเยอะมากจนคือหรือจะเรียนอวตารฐานมันมันพังทลายหมดเลยใช่มันพังไปหมดจนนักฟิสิกส์ต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่เอางี้เข้ามาที่เรื่องสมการที่ว่ากันสมการเนี่ยเป็นหนึ่งในแก่นสําคัญของซิลิคอนตั้มสาคัญแค่ไหนนะเหรอก็ใครเรียนฟิสิกส์เนี่ยปีหนึ่งต้องเรียนสมการนี้ทุกคน มสมการอะไรคะเขาเรียกสมการเคลื่อนของชโรดิงเจอร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักฟิสิกส์ชื่อ er, อเวนชโรดิงเจอร์นะครับแล้วคนนี้ก็มีชื่อเสียงมากเพราะนอกจากเขาจะสร้างสมการที่สําคัญมากๆแล้วเนี่ยเขายังมีการทดลองทางจินตนาการที่เรียกว่าแมวของชโรดิงเจอร์ด้วยเคยได้ยินไหมอืมเคยได้ยินจากหนังสือพี่เนี่ยนะครับครับสมการคลื่นของชโรดิงเจอร์เนี่ยมันสําคัญแค่ไหนถ้า กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นหัวใจของคลาสสิ l อลฟิสิกสมการเคลื่อนของ s โตริงเจอร์ก็เป็นหนึ่งในหัวใจของทฤษฎีควอนตัมเลยนะเคยยิ่งใหญ่เบอร์นั้นเบอร์นันเลยใช่แต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากปรัชญาที่แตกต่างจากคลาสสิ c อลนะอันนี้ผมพูดไว้เผื่อเผื่อใครเรียนหนังสืออยู่จะได้เอาไปใช้เพราะว่ารู้ว่าบางมีคุณครูกับนักเรียนน่บางทีเขาก็ดูรายการเราเออนะ ปกติแล้วคอนเซปต์ต่างๆอยู่ในโลกคลาสสิกเราจะวางอยู่บนพื้นฐานของแรงความเร็วอะไรพวกนี้แต่พอมันอยู่ในโลกควอนตัมเนี่ยคอนเซปต์เหล่านี้มันส ล, สลายไปแล้วมันต้องยึดอะไรแทนพลังงานกับ<อ>พวกของศักไฟสักของพลังงานอะไรพวกนี้<อ>ซึ่งซึ่ ง, งสักพลังงานนี้แปลกประหลาดเลยนะในโลกคลาสสิกเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติสุดๆไปเลยแต่ว่าพอมัาอยู่ในโลกควอนตัมเนี่ยมันมันมีบทบาทแบบมัน f u n d a m e นท a l มันพื้นฐานมาก<อ>แต่เราคงไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ย ต้องเปิดคอร์ดออนไลน์แล้วนะแต่เอาเป็นว่าชโรดิงเจอร์เนี่ยเขาสร้างสรรมการชโรดิงเจอร์ขึ้นมาจากแนวคิด เ, เกี่ยวกับพลังงานเป็นหล<ฆ>ักนะครับแล้วก็แทนที่เราจะมองสมมติแก้วน้ำเนี่ยเป็นอนุภาคหนึ่งแทนที่จะมองว่ามันเป็นสสารมีมวลค่าหนึ่งสรรมการคลื่อนของชโรดิงเจอร์ก็จะมองว่ามันเนี่ยเป็นคลื่นอนที่มีความยาวคลื่อนค่าหนึ่งมีโมเมนตัมมีอะไรแบบนี้ครับคือแทนที่จะมองอนุภาคเป็น เป็นสิ่งที่มีตำแหน่งแห่งที่ชัดเจนเป็นเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยก็จะมองมันเป็นคลื่นถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเดียวกันที่คลาสสิคอลฟิสิกส์มองก็ตามถูกต้องคืออิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นเม็ดเวลาตกกระทบเนี่ยมันเป็นจุดมีมวลก่อนหน้าที่จะเกิดทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นอนุภาคแน่นอนแต่ลุยส์เดอบอยบอกเอ๊ะหรือมันเป็นคลื่นได้ในเมื่อเป็นคลื่นได้ชารงเจอร์ก็อธิบายมันด้วยคลื่นแล้วอธิบายได้ดีด้วยดังนั้นสรุปอิเล็กตรอนเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาค เป็นทั้งคู่ขึ้นอยู่กับการมองปะแต่ในมุมมองที่ผมผมผมได้รับการสอนนะด้วงคือมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทั้งคู่แต่มันมีคุณสมบัติของทั้งคู่อ๋อไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งร้อไม่ใช่มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีคุณสมบัติของทั้งคู่นิวส์บอลเนี่ยสร้างหลักการที่เรียกว่าการเติมเต็มมาอธิบายฮะค่ะคือเราอย่าไปมองว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคเป็นอะไรอิเล็กตรอนมันเหมือนเหรียญ ถ้ามันล้มลงมาด้านหนึ่งมันก็อาจจะเป็นหัวซึ่งอาจจะเป็นแสดงคุณสมบัติของคลื่นออกมาแต่ถ้ามันหมุนหมุนอยู่มันอาจจะล้มออกมาเป็นก้อยก็จะเป็นคุณสมบัติเชิงตะกี้คลื่นใช่ไหมอนุภาคออกมาอ๋อก็คืออย่าไปเถียงกันเลยว่ามันคืออะไรมันมี2ด้านมันมีสองด้านที่เติมเต็มคุณสมบัติความเป็นอิเล็กตรอนอยู่หรือโฟตอนของแสงอย่างนี้นะแสงนี่เป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคเออไม่ต้องเถียงว่ามันเป็นอะไรเอาเป็นว่ามันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวมัน มันเป็นเหมือนเหรียญที่เติมเต็มคุณสมบัติเขาอธิบายยังไงต่อคะพอบอกเป็นเหรียญแล้วยังไงต่ออ๋อคือการมองอิเล็กตรอนหรืออนุภาค พ, พวกนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคลื่นเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องต้องอธิบายก่อนว่ามันมีประโยชน์อะไรก่อนอืมนะเอาไปใช้ทําอะไรเอาหลักๆ2เรื่องเรื่องแรกเลยนะฮะคือสมการของสโตริงเจอร์หรือการมองอิเล็กตรอนเป็นคลื่นเนี่ยใช้ในการมองภาพของอะตอมได้เป็นอย่างดี แบบเล็กลงไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือแทนที่เราจะมองอะตอมแบบเป็นก้อนนิวเคลียสแล้วมีอิเล็กตรอนมันอยู่เป็นชั้นๆแบบนิวส์บอลเนี่ยภาพภาพของชโรลิงเจอร์จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอมไม่ได้เหมือนที่เราเห็นว่าเป็นวงวงเป็นชั้นๆนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับภาพใหม่ของอะตอมที่สมการเคลื่อนของชโรลิงเจอร์มอบให้เราเขาเรียกว่าแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอง มันไม่ได้มีเส้นเส้นอะไรที่แบบเป็นเส้นแบ่งเขตอะไรชัดเจนแบบไม่มีมันจะเป็นเหมือนหมอกเลือนลางที่บางจุดแน่ น, บ า, น, น, บ, า น, นบางจุดบางเบาแล้วไอ้จุดพวกเนี้ยไม่ใช่อิเล็กตรอนคือหมายความว่าอะตอมที่เรียบง่ายที่สุดคือไฮโดรเจนมันจะมีอิเล็กตรอนแค่หนึ่งอนุภาคแต่มันก็ยังเป็นหมอกอยู่ดีอ๋อมันไม่ได้เป็นจุด ใช่มันเป็นหมอกแล้วหมอกที่ว่าก็ไม่ใช่อิเล็กตรอนด้วยไม่ใช่ว่าอิเล็กตรอนโผล่ไปทุก<ร>ที่ทพร้อมๆกันไม่ใช่อะไรแบบนั้นหมอกเนี่ยบ่งบอกว่าหมอกตรงไหนหนาเนี่ยตรงนั้นก็มีโอกาสเจอเอิเล็กตรอนมาก<อ>หมอกตรงไหนบางเนี่ยตรงนั้นก็มีโอกาสเจอเอิเล็กตรอนน้อยน้อยกว่าไม่ได้แปล ว, ว่ามันมีตําแหน่งอยู่ตรงนั้นแบบแน่นอนแต่มีโอกาสที่จะเจอมันใช่โหติดมากเลยนะคะเนี่ยติดไหมติดมากกลายเป็นว่าเราบอกตําแหน่งมันชัดเจนไม่ได้ เราบอกได้แค่ว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนมันไม่น่าจะอยู่ตรงไหนนะครับอ้าวนี่แหละสมการเครื่องของทริงเจอร์มอบภาพอิเล็กตรอนคลาวด์โมเดลให้เราซึ่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบโดยสิ้นเชิงตอนนั้นคนเขาแบบว่าถกเถียงกันเรื่องนี้ไหมคะแน่นอนโอ้โหก็อย่างที่บอกครับนักฟิสิกส์แม้แต่ในยุคนั้นหรือแม้แต่คุณทริงเจอร์เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยปรัชญาเรื่องเรื่องแบบโอกาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิลึกพิลั่น มันดูไม่ใช่เรื่องแบบฟิสิกเลยอะ่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยจินตนาการหน่อยๆอยไอน์สไตน์เนี่ยมองว่าเฮ้ยหรือควอนตัมไม่สมบูรณ์มันอาจจะไม่ใช่โอกาสก็ได้มันเป็นโอกาสเพราะเรายังไม่รู้ว่ามีตัวแปรที่พื้นฐานกว่านั้นเรายังหามันไม่เจอทฤษฎีควอนตัมที่สมบูรณ์่ะมันจะต้องเป็นด erm ีเทอร์มินิซึมเรารู้ได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนชัดเจนเพียงแต่ พอมันไม่สมบูรณ์เราก็เลยบอกได้แค่โอกาสไงนี่คือมุมมองของไอน์สไตน์และทฤษฎีนี้เขาเรียกว่า hidden variable theory นะครับคิดคิดษฎีขึ้นมาอธิบาย hidden variable ก็คือมีตัวแปรซ่อนเร้นที่ยังไม่มีใครเห็นมาส่งผลต่ออิเล็กตรอนทำให้เราไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนแต่ถ้าเราเจอตัวแปรซ่อนเร้นนั้นเราก็จะชัดเจนแต่มันผิดมันไม่มีตัวแปรซ่อนเร้นที่ว่าไม่มีก็คือมันเป็นเรื่องของโอกาสจริงๆอันเนี้ย เป็นเรื่องของโอกาสจริงๆและไม่ใช่ว่าที่สตีไม่สมบูรณ์มันสมบูรณ์มันสอดคล้องในตัวเองและไม่ใช่ว่าเราวัดไม่เก่งธรรมาชาติเป็นยังไงอ่าคือถ้าเราใช้หลักการของคลาสสิกฟิสิกส์มามองเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าใช่เหรอใช่เอแต่ว่าต้องมองอีกแบบหนึ่งในแบบของข้อนตามฟิสิกส์มองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นคลื่นอของอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวผมจะกลับมาตรงนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ตัวหนึ่งชื่อทันเนลลิ่งเอฟเฟกหรือปรากฏการณ์ลอดอุโมงค์เคยได้ยินไหม ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ <Okay. S 1> ปรากฏการ์ลอดอุโมง์ตรงนี้เนี่ยเข้าใจง่ายมากเลยก็คือสมมติว่าเรามีชามอ่างเราสามารถทําการทดลองเล่นที่บ้านได้มีอ่างแล้วก็เอาลูกบอลหรือลูกแก้วไปวางไว้ตรงก้นอ่างครับเสร็จปุ๊บถ้าเราเขี่ยลูกแก้วเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยถ้าเราเขี่ยมันด้วยพลังงานไม่มากอะ่ะมันก็กลิ้งขึ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมอ่าคุ้นคุ้นเหมือนเราเคยคุยกันเรื่องนี้นิดนะอ่าแต่ถ้าเราเขี่ยมันใส่พลังงานเข้าไปมากพอมันก็จะ สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้ากลิ้งไปมากถึงจุดหนึ่งมันก็จะพ้นขอบอ่างกระเด็นออกมาได้ออืนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ make ซ e n s มากแต่ในโลกควอนตัมเนี่ยถ้าเราให้ลูกเหล็กหรือลูกแก้วเนี่ยเล็กเป็น ron, อิเล็กตรอนอืเล็กจนเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยต่อให้เราใส่พลังงานไม่พอนะครับถ้าความหนาของชามอ่างกับขอบอ่างมันมันไม่มากเกินไปนะต่อให้ใส่ไม่พอนะอิเล็กตรอนมันก็มีโอกาสทะลุออกมาข้างนอกได้บางครั้ง ทลุออกมาข้างนอกใช่แม้แม้ว่าพลังงานมันจะใส่เข้าไปไม่มากก็ตามเราเคลียร์เบาๆเนี่ยแต่หลายๆครั้งนะสักสักสมมติเคลียร์สักล้านครั้งมันอาจจะหลุดออกมาได้สักสอาครั้งเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งถ้าเรามองในมุมของชอร์รดินเจอร์เราอาจจะมองได้ว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นและคลื่นเนี่ยมันทะลุขอบกําแพงออกมาได้ได้นิดหน่อยแล้วพอมันเล็ดลอดออกมาตรงถึงขอบนอกของกําแพงไม่เป็นศูนย์มันก็เลยหลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนได้ ภาพของเชอ r โรดิงเจอร์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าทันเนลลิ่งเอฟเฟกซึ่งอธิบายได้ดีมากสามารถคำนวณหาได้อย่างชัดเจนว่าโอกาสทะลุเป็นเท่าไรหร่วัดได้แล้วก็เป็นพื้นฐานของการทำงานของเทคโนโลยีประเภทแฟลชเมมโมรี hmm. ในยุคก่อนนะครับแล้วก็พวกไดโอดบางชนิดด้วยแต่ดังนั้นมันถูกแน่นอนละภาพของของเชอรโรดิเจอร์แต่อย่างที่บอกไปนะไอสไตฟังแล้วแบบอะไรเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ ความเป็นคลื่นที่ว่าเนี่ยน้องฟังคือคลื่นเนี่ยมันเป็นคลื่นของอะไรรู้ไหมคลื่นอของอะไรคะคือปกติคลื่นเสียงของเราเวลาพูดแล้วเปล่งออกไปเนี่ยมันก็คือความดันของอากาศที่มันวิ่งไปเข้าหูปุ๊มน้องฟังก็ได้ยินยีนก็ได้ยินเสียงอคือมันเป็นคลื่นความดันของอากาศอแสงเนี่ยก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเคลื่อนที่มาในอากาศแต่คลื่นในสมการของชโรนิงเจอร์คลื่นของอิเล็กตรอนเน่ย มันเป็นคลื่นทางคณิตศาสตร์อืมคลื่นทางคณิตศาสตร์หมายความว่าคือมันไม่ใช่คลื่นในเชิงที่เราอธิบายได้ว่ามันเป็นคลื่นของความดันคลื่นของอะไรฟ้าหรือมันเป็นคลื่นของอะไรก็ไม่รู้หรอคะที่มันที่มันคำนวณได้แต่มันคำนวณได้แต่มันเป็นคลื่นอะไรก็ไม่รู้อะแต่กลายเป็นว่าคลื่นเนี้ยพอ เ, เอามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันบอกถึงโอกาสได้แล้วกันอืมมัน ก็เลยบอกว่ามันเป็นคลื่นของคณิตศาสตร์อ่ผมเลยใช้คำว่ามันเป็นคลื่นคณิตศาสตร์แต่จริงๆเวอร์ชันคลื่นของชโรนเจอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันมันมีความดูจับต้องได้สุดแล้วมันมีคณิตศาสตร์แบบเพียวกว่านั้นอีกอ <corrupted. S 2> อืเ<ะ> <of> วอร์ชั่นของคุณฮยไฮเซนเบิร์กมั้งคุณดีรักคุณอันนี้ผมว่าพอมองเห็นภาพสุดแล้ะ oh. ใช่แต่กะนั้นที่ศึกก็ยังไม่สบายใจไอสตาร์เองก็บอกที่ศึกความทำไม่สมบูรณ์พยายามหาทางทุกวิถีทางในการ จับจ้องรูโวหาให้เจ อ, ห ร, อหรือแม้แต่ตัวคุณชโรดิงเจอร์เองเนี่ยก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้นะโอ้เจอเองแล้วก็ยังไม่โอเคไม่สบายใจกับการตีความเหล่านี้ก็เลยจินตนาการถึงการทดลองหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าการทดลองทางความคิดเพราะว่าทำจริงไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าทำเนการทดลองในหัวในหัวเขาเรียกจ็อดเอ็กซ์เพการทดลองที่ว่าเนี่ยชื่อว่าการทดลองแมวของชโริเจอร์เพื่อพยายาม จับผิดคําอธิบายทางขวัญตั้มอ๋อก็คือทดลองในหัวเพื่อที่จะมาจับผิดสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแบบเจอมาใช่ป่แต่เออสมการเครื่องของชร์โลนเจอร์เนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าปรัชญาในในการอธิบายทั้งสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาร์เจอร์ไอน์สไตน์รับไม่ค่อยได้เขาเรียกอินเทอร์เพชันหรือคําอธิบายมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าใช่อ่ะชร์โลนเจอร์ก็เลยสร้างการทดลองที่เหมือนจะประชดประชันแล้วก็พยายามบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีปัญหาเพราะว่า แมวของช h โรดิงเจอร์บอกบางอย่างกับเราแต่แมวของชอโรดิงเจอร์คืออะไรเราจะยังไม่เล่ากันตอนนี้เอาเหรอเราจะเก็บไว้เราตอนหน้าโอ้โหอยากเล่าแล้วแต่คนฟังเขาก็อยากฟังงั้นต้องรอฟังตอนหน้าโอ้ครับจบอย่างนี้เลยฟังรู้สึกว่าถ้าเราอธิบายเรื่องของแมวฟังแค่แค่แค่เปิดสารบันแล้วเจอชื่อนี้ฟังแอบเข้าไปอ่านก่อนอันแรกด้วยเขาบอกเพราะมันรู้สึกว่า คืออะไรวะอย่างเงี้ยนึแมวเกี่ยวอะไรกับแมวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาฟังกันต่อในตอนหน้าค่ะพอฟังมาถึงตรงเนี้ยค่ะที่ปองแปงฟังเข้าใจถูกไหมว่าจริงๆรแล้วเหมือนเราต้องเลือกกรอบการที่จะมองแต่ละอย่างให้มันถูกเช่นถ้าในสเกลใหญ่ๆเรามองแบบ Classical Physics ชีวิตประจำวันใช่ไหมแล้วในอีกสเกลนึงเล็กๆเนี่ยเราใช้ควอนตัมฟิิแบบนี้ถูกคะใช่ ถ้าแรงโน้มถ่วงเข้มมากๆก็ต้องสัมพัทธภาพทั่วไปถ้ามีความเร็วมากๆก็ต้องใช้สัมพัทธภาพพิเศษอะไรพวกนี้คือกรอบของทฤษฎีจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับแม้ว่าจริงๆเราลึกๆนักฟิสิกส์จะมีความเชื่อนะว่ามันควรจะมีทฤษฎีเดียวที่อธิบายได้ทุกสรรพสิ่งใช่แต่เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นในตอนนี้ ฟังตอนนี้นเรารู้สึกว่ามันท้าทายมากเลยค่ะที่ท้าทายนอกจากว่าเราจะเข้าใจมันไหมนะกับอีกเรื่องหนึ่งคือฟังว่ามันท้าทายทางความคิดเพราะว่าแม้แต่ในยุคหนึ่งไอซายหรือว่านักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เก่งๆก็ถูกท้าทายในกรอบคิดแบบหนึ่งที่เขาเชื่อแล้วก็พิสูจน์กันมามากมายแล้วแหละว่ามันใช่มันถูกในยุคของคลาสสิคอลฟิสิกส์แต่วันนึงอ่ะมันก็มีการมองอีกแบบหนึ่งได้มองโลกในอีกสเกลมองโลกในอีกกรอบคิดหนึ่งอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งมากเลยที่มีสิ่งนี้ขอขอขอขิงนะอมันยังไม่สุดสําหรับผมหมายถึงว่าการเล่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าสนุกเข้าใจยากซับซ้อนใช่ป่ะแต่ถ้าถามผมในการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์นะะเรื่องที่ซับซ้อนจนผมเนี่ยทุกวันนี้ยยังไม่ค่อยจะได้เล่าที่ไหนเลยอะคือเรื่องอะไรคะฟิสิกส์อนุภาคอ่าเดี๋ยวนะฟังว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ร่าซึ่งอะไรรู้ป่ะคือปกติแล้วอะ ลึกลงไปในอะตอ ม, อมเราจะเห็นว่ามันมีโปรโตอนนิวตรอนอัดเป็นก้อนอนิวเคลียสตรงกลางแล้วมีอิเล็กตรอนใช่ปะอันนี้ทฤษฎีควอนตัม Quantum, อธิบายแต่เอกภพมันไม่ได้ประกอบขึ้นจากอนุภาคพื้นฐานแค่นี้นแล้วโปรโตอนนิวตรอนก็ไม่ใช่อนุภาคพื้นฐานด้วยมันมีเล็กกว่านั้นและไอ้พวกเล็กๆพวกเนี้ยยากคื อ, ค, อคือเรียนฟิสิกส์คนเรียนฟิสิกส์เองก็ยังรู้สึกมันยากมันซับซ้อนสับสนวุ่นวายมากอพี่ลึกกึ่ง พิลึกกึกกือแล้วโคตรซับซ้อนคือควอนตัมยังมีหลักการชัดเจนว่าโอเคเรามีหลักมีสมการชอริเจอร์มีอะไรอธิบายธรรมชาติดิเล็กตรอนแต่อนุภาคแต่ละตัวมันมีธรรมชาติมีความมีความเป็นตัวของตัวเองที่ซับซ้อนมีไอด n นิตี้ของตัวเองโอ้โหเหมือนคนเยอะอะเหมือนคนเยอะๆคนหนึ่งแล้วก็มีหลายแบบโอ้จะเป็นลมจะเป็นลมไม่เคยเล่าและอันนี้ผมว่าท้าทายจริงดังนั้น ถ้าฟังเรื่องที่เธอคอนตั้มแล้วแล้วรู้ ส, ส, สึกมันยากแล้ว ม, มันมีสิ่งที่ยากกว่าออย่าคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเริ่มมีคนมาคอมเมนต์ล้วตต่อไปค่ะก็นั่นแหละค่ะใครแบบอยากได้เรื่องท้าทายแบบนี้ก็ค่อยๆมาเปิดใจท้าทายไปทีละนิดนะคะกับใดๆในโลกหลนฟิสิกส์กันเนาะก็ฝากติดตามพวกเรานะคะได้ในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์นะคะ YouTube Channel ขอะสแตนดาร์ดพ Podcast ด้วยเจอกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ